33จิตที่เพ่งเป็นทุกข์จิตตั้งแต่เดิมที่เพ่งอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหร่หรอกพอหลุดออกมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วพอไหลเข้าไปอีกจะเห็นทุกข์เยอะเพราะฉะนั้นสภาวะจริงๆสภาวะทั้งหมดที่จิตเข้าไปติดเข้าไปข้องมีแต่ทุกข์ล้วนๆเหมือนเราติดคุกมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่เราติดคุกเราเกิดในคุกโลกของเรามีแต่ในคุกเราจะไม่รู้สึกว่าเราติดคุก พอวันหนึ่งออกมาเดินเล่นข้างนอกได้แล้วกลับเข้าไปใหม่จะอึดอัดมากกว่าเก่าบางทีรู้สึกว่าเข้ามาในที่คับแคบมีแต่ทุกขล้วนๆถ้ารู้สบายๆจิตจะหลุดออกมาเองที่สำคัญเมื่อจิตมันจำทางได้แล้วมันรู้ว่าจิตเดินเข้าช่องนี้ด้วยวิธีอย่างนี้มันจำทางได้ต่อไปพอมันจะเข้าไปแล้วสติเราเห็นมันจะขาดตรงนั้นไม่เข้าไปแลวกิเลสมันก็จะปรุงอะไรใหม่ๆมาหลอกเราอีกให้เรารู้ไม่ทัน ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะเข้าไปติดอันใหม่จนวันหนึ่งรู้ทันก็ไม่ติด